หหเหมือนกับรบกวนเหมือนเหมือนกับเรียงเรีงมันอยู่นิ่งเป็นๆอะไรเพราะจิตใจถ้าไม่ประารมันถ้าปหามันก็นิ่งขั้วสิ่งใดทั้งหมดไม่มีการเกิดเจ็บเจ็บตายถ้าไม่ปลึกก็ตายเกิดดับเกิดดับเมื่อเรามศึกษามีสติแล้วเห็นแต่นอกก็เห็นลายเคลื่อนไวยมีสติ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 ถ้าเห็นเห็ดบังประเภทมันอยู่เป็นหมูเห็ดลหลงูกเห็ดปลวกเห็ดพะมันอยู่เป็นหมู่้าเห็นดอกหนึ่งแล้วก็มีดอกที่สองที่สามไปเห็นรูปมันก็เห็นนามัน้นตร ง, งัานข้ามเป็นรูปทำเป็นนามทำรูปมันทำดีรูปมันทำชั่วนามมันทำดีนามมันทำชั่ว เขาจะแสดงให้เห็นตามอาการของเขารูปทุกน้ำทุกรูปนี่มเป็นทุกเป็นก้อนทุกอ่นหน ать, Yin, montón, ึ่งร้อนก็เป็นทุกหนาก็เป็นทุกเหงื่ก็เป็นทุกออกเป่าก็เป็นทุกนอนมากก็เป็นทุกเดินมากก็เป็นทุก์ดืนมากก็เป็นทุกนั่งมากก็เป็นทุก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 ยังมีนิดเสือทุกทุกทางนิดยังมีทุกอร่อยร้อยแปดทุกปุบะธานชั้นที่สงทุกสมมุทัยนิโลธมากส่วจนสจภาวะทุกเป็นทุกธรรมดาแยกไม่ได้นีแต่กําหนดรู้ด้วยการรู้ขึ้นก็ไม่เที่ยงกําหนดรู้ผันหายเจเข้าหายใจออกเป็นการกําหนดรู้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 โรคน้ํามโรคมาเกิดโรคได้โรกของลูกธรรมดาคือร้อนหนาวหิวเก็บไข้ได้ป่วยการร้อนหนาวหิวอะไรต่างๆเป็นโรคโรคของลูกธรรมดาอันโรคอันหนังที่เกิดขึ้นเรียกว่าโรคเชื่อโรคไม่ใช่โรคต่อเรือคอควาย อันโรคที่เกิดขึ้นที่เป็นรอเลือคอควยเป็นโรคทําให้ลกูกนี่เจบหายวายโอดการต้องเยี่ยวยารักษาใจไม่ต้องทุกข์ก็ได้แต่คนไม่รู้เป็นสุขเปนทุกข์เพราะเรื่องโรคก็เปรี้ยเพรี้ป่วดก็เป็นทุกข์ปวดก็เป็นทุกข์มันไม่ใช่ถ้าเราผูข้ขเรามันจะเป็นอันเดียวคิดใจอ่า ป่ยก็ใจดวงเดียวหายป่วยก็ใจอันเดียวหิวก็อันเดียวอิ่มก็อันเดีย ว, ว, ยวแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดมันเป็นหลายอย่าเป็นหลายดวงเหมือนพระร อ, งงาอาทิตย์สองเงาอาทิตย์ในา น, าน้ำแต่น้ามีคลื่นถ้ามองเงาอาทิตย์เป็นหลายดวงหรือดวงจันงองเป็นเงาในานา้ำแต่หน้ํามีคลื่นก็มีหลายดวงคลื่นไม่ใช่น้ํา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 ไม่ใช่อะไรที่มันใหม่มันก็วันเดือนปีธรรมดาสมมติโล่นเพราะนอกจากรูปทำนามธรรมรูปโลกนามโลกคูบทุกนามทุกรูปสมมุตินามสมมุติสมมตนินี่ปิดบังศัจธรรมคนที่ไม่รู้ก็หลงในสมมติสมมติเกิดขึ้นเป็น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 อันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีที่เปิดวัตถุเอามาผสมมุติเราก็หลงในความดีในความไม่ดีทั้งๆที่สิ่งของวัตถุเป็นอันเดียวอยู่ตรงนั้นก็เหมือนเก่ามันไม่ได้ดีมันไม่ได้ไม่ดีสมมติบัญญตัติไม่ใช่ปรมาจิตเ จ, จ้าแตงความโกรธที่เป็นสมมติบัญญตัต ความทุกข์ก็เป็นสมมตรบรริบัญญัติบางอย่างมันต่างกันบางอย่างความทุกข์ของคนหนึง่งเป็นความสุขของคนหนึง่งความสุขของคนหนึ่งที่เขาบรรัญญัติเป็นความทุกข์ของคนหนึง่งเนี่ยจะจ ะ, จะบรรัญญัติต่างกันแล้วเมื่อมีสมมติ ม, มากบรรัญญัติเป็นเจตัวมากขึ้นก็เกิดการทะเลาะวาดกันเห็นค่ากันได้เพราะสมมุติบัญญัติ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 ธรรมชาติกดธรรมชาติธรรมะคือธรรมชาติเมื่อมีธรรมชาติก็มีกดธรรมชาติเหมือนมีไปที่ใดว่ามีลมที่นั่นทำไมไม่มีลมเพราะธรรมชาติไวมันลุกขึ้นมาก็มันก็ขับไล่ อ, อากาศเป็นคาร์อนบางคับออกซิเจนนี้บางคับอากาศนี้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 อาจจะน้ําตาซึมอาจจะเสียใจหน้าตาเปลี่ยนไปมันไม่ใช่เป็นกิริยามันเป็นกรรมคำพูดอย่างเดียวอาจจะเป็นกรรมมัจะไม่เป็นกรรมเป็นกาตัดกรรมไม่ใช่กรรมที่เป็นผลไม่มีผลถ้าเราไม่เจตนานี่คือสมมติบัญญตัต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 แต่บาคนความหลงเป็นความรู้สึกตัวความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวมันก็ต่างกัน่างนี้หน่อยหลังแต่ว่าทุกขนเดียวกันอยู่ที่การกระทาของเราว่าปฏิบัติธรรมทำไมไม่หัดมันหัดไปยากมันมีอยู่มีบทเรียนอยู่ถ้าไปหลงเวลาอะไรรู้สึกตัวลองดูหลงสองครัง้งรู้สึกตัวสองครัง้งในความทุกข์เท่าไหร่รู้เท่านั้น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 ลันก็เป็นตัวเป็นตนง่ายเป็นเป็นรูปเป็นนามไม่เป็นตัวไม่ตนเห็นความโลนเราโลนเรียว่าเห็นกายมีกายเห็นหนาวคือเราหนาวเป็นตัวเป็นตนกับกายถ้าเห็นเป็นรูปเห็นมันโลนไม่ใช่เป็นผู้โลนเห็นมันหนาวเห็นมันหนาวเห็นมันหิว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 เป็นทุกข์ยกเอาสมขังไว้แล้วยกมันถามเป็นสุขหรือเห็นสุขเป็นทุกข์หรือเห็นทุกข์ถ้าตอบว่าเป็นผู้ทุกข์เป็นผู้สุขยกมันเอาสมเหล็กขังไว้ไปไม่ได้ถ้ายักษ์มันถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เห็นสุขหรือเห็ทุกข์เห็นวันสุขเห็นวันทุกข์ยักตายไป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 มันไม่มีก็ไม่สบายกายก็ไม่สบายใจมีเห็นมาไม่สบายรวมปาจาัยชินใดไม่ได้ชินนั่นเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นก็เป็นอย่างนั้นถ้าไม่อยู่ตรงนั่นก็ไม่เป็นอย่างนั้นมาดูวันทีส่งงหลายจุลโลกนี้โลกนี้คือกายคล้องสอกยาวาหนาคื้มีสัญญาณในจิตใจนะ่ะมันเป็นอะไรได้ เราจึงมาดูมันสนุกดีสนุกเขาแสดงให้เห็นสนุกดูดูอะไรไม่เศร้ากับดูถัวชีวิตของเราเห็นของจริงของเท็จไม่น่าเบื่อได้พออกพอใจอยากชวนมาดูเชิญมาดูน้องมาใส่เรา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 ถ้าปุ๋ยดีเบาๆ้าปุ๋ยไม่ดีหนักนะเราไปซื้อปุ๋ยสอบหนังจีบกาบา น, นไม่ใช่ปุ๋ยหนักไม่ใช่ห้าจีบโรถงปุ๋ยเยหนักนปุ๋ยไม่ดีของปอลอมถ้าเราเทมันหนักเรีวยวของปลอมถ้าของเบปูเนี่ยอาจจะว่าปุ๋ ย, ยไม่ดัดถ้าคนเขาพอค้าซื้อโปอเนี่ย ถ้าเขาช่งางดูมัดขาดไม่ควรที่จะได้เท่านั้นก็ถ้าขึ้นต่อช่างปับ๊บมันหนักเกินเขาก็ตัดออกดูมีก้อนหินมีละไใส่หรือเปล่าของปอมเออน่ะซื้อปุ๋ยเนี่ยซื้อปุ๋ยขี้วัวนะมันเบาโปรนะ้าวมาใจมีแต่ขี้ดินนั่นเอนของปมอมขอหนักก็ยังเอาอโกเดะเมันปอมนะ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 นี่หลวงตาเขาพูดนนอนเพราะมันเป็นปีใหม่อยากจะให้เริ่มต้นใหม่ใม่ความโกรธมันเก่าความไม่โกรธมันใหม่ความทุกข์มันเก่าความไม่ทุกข์มันใหม่ความหลงมันเก่าความไม่หลงมันใหม่จะทําไม่ได้เลยแค่นี้เองนะเรียกว่าปีใหม่ชีวิตเราจะใหม่เรื่อยไปไม่เพิ่มเพิ่นเฉยไหนใหม่เรื่อยไปการใหม่คือเนี่ยต้องเปลี่ยนความร้ายเป็นความดี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 ถ้าเราฝูกตนสนตนเนาะเอาเรองตาวัดปาสุกโตเพอาสงจ์จะเควนเพื่อนจะไม่ผ่านลงที่ตรงทาง